สิกขาบทที่ 6. ภิกษุณีบวชให้หญิงที่มีครอบครัวอายุครบ12ปียังไม่ได้ศึกษาสิกขาในธรรมหข้อตลอดสองปีต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังให้บวชต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อบวชให้แล้วต้องอาบัตปาจิตตี